เวลาอะไรเกิดขึ้นเราจะไม่แปลกใจว่ามันมาจากอะไรเราจะไม่สงสัยเพราะมาจากอันนี้อั น, นปั๊บมันก็จบไวถ้าเราไม่รู้เหตุผลต้นปลายที่ไปที่มาเนี่ยเราก็โมดได้คิดสงสัยทำไมทำไมทำไมทำไมคุยเช่นมากเต็มหัวไปหมดมันก็ทําให้เราเกรงเครียดกับปัญหาต่างๆแต่พอเรามารู้ต้นตอปัญหาออกก็มเีเรื่องกายก็บเรื่องใจท่านั้นเองเรื่องกายควรจะแก้อย่างไรเรื่องใจควรจะแก้อย่างไร เราก็รู้วิธีแก้มันก็จบนะแต่ถ้าเราไม่ชํานาญร่างกายและใจเราก็จะสงสัยนะเอ๊ะทำไมฉันจึงป่วยทำไมฉันจึงไปโลกอันนี้เราก็จะสืบไปว่าเราป่วยเพราะอะไรแล้วก็ไปตัดที่ต้นเหตุของมันตรงนั้นแล้วก็ระวังต้นเหตุของมันเราก็ไม่ต้องมาสงสัยตัวเองว่าทําไมทําไมเขาจึงรักทําไมคือชังเราเมื่อก่อนรักเราเมื่อ ก, ก่อนดูแลเราเดี๋ยวนี้ทําไมเขามนเฉยต่อเรามันก็จะไม่มีคําว่าทําไมนะ มันจะต้องมีเหตุเราก็รู้เหตุอ๋อเพราะอันนี้อันนี้เราก็จะปรับตัวของเราได้ทันทุกมันก็จะน้อยลงแต่สิ่งหนึ่งสําหรับการฝึกฝนก็คือที่เราจะต้องที่คาสอนพระพุทธเจ้าที่ว่าหลักการ3วิธีการหลักการสามมีอะไรบ้างทุกชาพุทธทุกคนต้องจําได้ใช่ไหมหลักการพุทธศาสนา ม, มีสาประการอะไรพอจะทราบสัพพปาปัสะกรนังทุกปีวันมาฆบูชาเราก็มาประกาศเยางนั้นแนหะใช่ไหม การไม่ทําบาปทั้งปวงอุศลสูประสบธรรมการทําดีการทําทดีไม่มีปัญญาก็เยอะใช่ไหมไม่ใช่กุศลไม่ได้ไปแปลว่าความดีนะการทําดีถึงพร้อมแปลผิดการทาปัญญาให้ถึงพร้อมกุศลคือตัวปัญญาคือฉลาดทําฉลาดพูดฉลาดคิดบางทีเราทําดีแต่ไม่ฉลาดนี่ไอความสิ่งที่ดีที่เราทํามันกลับทําให้เราเป็นทุกข์นีฉันก็ทําดีแกทุกอย่างแล้วทำไมฉันทําำมาแกแกทําไมฉันกับฉันอย่างเนี้ย คำพูดนี้ลุดออกมาแสดงว่าเราทําดีถูกต้องไหมไม่ไม่ถูกถ้าเราทําดีได้ถูกต้องไอ้คำพูดนี้มันจะไม่มีเพราะฉะนั้นทําดีก็ทําถูกบางทีมคนละเรื่องะทําดีจะไม่ถูกบางครั้งเราทําถูกแต่มันอาจจะไม่ดีก็ได้เราจะตักเตือนลูกของเราที่ทําไม่ถูกเนี่ยเราทําถูกนะแต่ลูกเขาชอบเราไหมเขาไม่ชอบเนี่ยทําถูกบางทีไม่ดีตรงที่ว่าเขาไม่ชอบเราเพราะฉะนั้นภรรยาไปเล่นไพ่กินเหล้าสามีตักเตือนสามีทําถูกไหม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 ใครเป็นผู้ทำให้เราได้มากที่สุดนั่นได้คำตอบเลยตัวเราเองสาภาพเสดีดีๆเลยเนะี่ยตัวเราเองเนี่ยนะทำทุกทาบาปให้กับตัวเองมากที่สุดเพราะอะไรเพราะขาดข้อที่สองเพราะไม่มีกุศลคือไม่ฉลาดในการทำสิ่งที่คิดว่าทำดีให้กับตัวเองกลายเป็นทำไม่ดีนะการกินอาหารเด็อร่อยแต่ว่ากินมากเกินไปไปไงกลายเป็นไม่ดีไม่ฉลาดในการกิน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 ที่ทำไปแล้วความเดือดร้อนตามมาภายหลังเรียกว่าเป็นบาปอย่างเราอบรมสั่งสอนลูกดีลูกเนี่ยลูกดีขึ้นใช่ไหมไม่มีความเดือดร้อนตามมาภายหลังนั้นการที่ทํำก็ไม่เป็นบาปเพราะว่าผลตามมาภายหลังมันดีแต่เราเอาใจลูกโอบลูกตามใจลูกทุกอย่างความเดือดร้อนตามมาภายหลังก็คือแต่มาลูกเขาไปทําผิดทําร้ายอะไรนี่สั่งสอนเขาไม่ได้เพราะเขาถูกต่างใจเพราะฉะนั้นการดูแลลูก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 ปล่อยวางทั้งความดีและความไม่ดีทั้งบุญทั้งบาปทั้งความฉลาดความงูต้องปล่อยวางให้จิตของเราไม่มีทั้งสองขั้วให้มันเหลือขั้วเดียวคือทําจิตให้สะอาดจากบุญและบาปท่านใช้คำพุญยะปาปัสสะปะหีนัสสะเป็นผู้ละได้แล้วทั้งบุญและบาปถ้าบุญดีจะละทําไมใช่ไหมก็ว่าทั้งบุญทั้งบาปเป็นเหตุปัจจัยของกันและกันเพราะเราทําบี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 คือขาดไตรสิกขาหรือขาดปัญญาเนี่ยพ่อพระแม่พระก็กลายเป็นพ่ออหละพ่อผีและแม่ผีไปเลยเพรา อ, อะไรเพราะออดกั้นก็จริงแต่ว่าทำเป็นกดดันเขาอะใช่ไหมท่านกดเอาไว้คืท่าทีไปกดดันเขาโดยที่ไม่ต้องพูดต้องอจาไม่ต้องอะไรคือฉันไม่พูดโดยกแกสามวันห้าวันพูดกันเป็นเดือนแล้วเนี่ยกันอดได้แต่อีกฝ่ายหนึ่งมันจะตายได้ได อันนี้ก็าเรียกอดกันแบบไม่มีปัญญา <c oughs> สามีภรรญาขัดใจกันไม่พูดด้วยกันสาวันเจ็ดวันเป็นไงลูกเป็นไงสบายใจไหมพ่อแม่ไม่พูดกันใช่ไหมการอดกันอดทนของเรามีประโยชน์ไหมแบบนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็จึงใช้ปัญญาอดกันอดทนอย่างมีปัญญาเพราะฉะนั้นในความหมายของ พุทธศาสนาท่านให้ความจำกัดความไว้สีอย่างหนึ่งอดทนต่อทุกเวทนาเช่นเรามาปฏิบัตินะมีทุกเวทนาตั้งหลายอย่างต้องทนนั่งทนยืนทนดอนทนนั่งทนยืนทนเดินหนักๆซึ่งตามบุติีเราไม่ได้ทำแบบนี้แต่เราก็มีความอดกัน้นอดทนนะอันที่สองความอดทนอดกั้นต่อความลำบากตรำตาการงาน เราทำงานในออฟฟิศทำงานในโรงงานทั้งวันนะเนี่ยปวดทั้งเมื่อยทั้งสาราพัดอึอดอดัดหนักหนุง่ทงทงทัพก็ต้องทำต้องอดต้องกัน้นอันที่สามอดทนอดกัน้นต่อความหิวกระหายเรามาที่นี่เราทานอิมมอ่มบ้างไม่อิ่มบ้างกลัวว่ามันจะง่วงก็ทานน้อยน้อยแล้วก็หิวก็ต้องอดกัน้นะอดกั้นก็คือจะต้องหาวิธีชดเชยด้วยวิธีใดนะ อันที่4อดทนอดกั้นต่อคาด่าว่าเสศีความดูถูกความดูหมิ่นความสุขประมาทความไม่ไพเราะเพราะหูก็ต้องใช้ความอดทนอดกั้นทั้ง4ประการเนี่ยความหมายของคำว่าขันตินะประการสุดท้ายนี่สำคัญเพราะมันเกี่ยวข้อง3อย่างอดทนต่อความเจ็บปวดอดทนต่อความลำบากในการงานอดทนต่อความหิวกระหายไปเรื่องของกายทั้ง3ด้านเลยใช่ แต่อันที่สี่เนี่ยเป็นเรื่องของจิตโด ย, ยเฉพาะเลยต้องอดกั้นต่อคําด่าว่าเสศีสุส ป, ประมาตยากตัวนี้จึงเรียกว่าขันติประมังตโปติติขาถ้าเป็นลักษณะนี้คือหลักการที่หนึ่งในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านคงจะนึกถึงตอนที่ท่านบําเพ็ญเพียรทุกรักกิริยาใช่ไหมถ้าท่านไม่อดกลั้นอดทนขนาดนั้นเนี่ยท่านก็ไม่เกิดแรงบันดาลใจที่จะสแสวงหาทางออกที่ถูกต้อง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 ดังนั้นอันนี้หลักการอันที่หนึ่งในหลักการหเราต้องใช้นะอันที่สองท่านบอกนิพพานังประมังวัฏฐันติพุทธาพุทธเจ้าทั้งหลายหรือผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่าการดับการเย็นเป็นธรรมขั้นสูงสุดนั้นจึงกล่าวว่าระหว่างเกิดกระดับเนี่ยเราควรที่จะศึกษาตัวไหนตัวนี้ตอบโจทย์เลยขันติประมังเอ้ย นิพพานังประมังว่าทันติพุทธาพุทธิเจ้าทั้งหลายยง่งย่องกันนิพพานคือการดับใช่ไหมอ่าการดับเหตุดับปัญหาดับทุกข์เนี่ยเป็นตัวที่ต้องพอกพูนให้เยอะแต่การเกิดไม่ต้องไปพอกพูนหรกอกย่างง้มันก็เกิดได้ น, นูนท่านตัดว่าอย่างนี้นะสิยาโลกวัฒโนอย่าทำโลกนี้ให้มันเจริญอย่าให้มันเกิดกันเยอะมันจะปัญหาเยอะนะนะสิยาโลกวัฒโน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 ทางจิตของเราที่มันร้อนด้วยราคโาโทสะโมหะก็พยายามลดเงื่อนไขของมันให้เย็นลงเย็นลงเย็นลงไปเรื่อยๆเนี่ยท่านเรียกการดับการเย็นแบบนี้นะแต่ไม่ดับสิ่งที่มัน อ, อื่นนะดับเหตุของทุกขเป็นนิพพานนะ <c oughs> ถ้าเราพยายามปฏิบัติเพื่อลดเงื่อนไขของความร้อนต่างๆที่มันเกิดนะ อันนั้นก็เป็นนิพพานไปในตัวส่วนจะลดได้มากได้น้อยก็ขอให้ได้ทำส่วนจะทำนั้นจะทําเนไให้ชำนิชนานาญในการดับไฟนะเวลาเขาสร้างตึกสร้างบ้านเสร็จก็ต้องติดอะไรไว้ด้วยที่บ้านติดอะไรถังแดงๆถัด ง, งดับเพลิงติดไปด้วยทุกแห่งแลหละเห็นไเมื่อสร้างบ้านเราก็ต้องมีตัวดับไฟที่เกิดกับบ้านนะ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 ที่เราจะต้องทำในวิธีการที่สองนิพพานังปรมังวัฏทันติพุท ธ, ธาแค่สองข้อนี่ก็หมดเวลาแล้วทั้งนั้นค่อยไว้ต่อวันต่อไปนะช่วงเช้ามีเวลาสั้นเราไปปฏิบัติสองชั่วโมงตั้งแต่ตีสามถึงตีห้าบางคนก็ได้ชั่วโมงเดียวบางคนก็ได้ครึ่งชั่วโมงใช่ไหวันนี้ที่มาได้สองชั่วโมงดูแล้วมีอยู่ตอนแรกมีสี่ใช่ไหมหลังเา ห, หเราเพิ่มขึ้นมาใครว่างมาหลัง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 อย่างน้อยที่สุดถ้าเรายังไม่มีเขามีคงอะไรอย่างน้อยที่สุดก็คือเป็นการทําสร้างบารมีนะไว้สร้างวันนี้ได้เท่านี้ไปเที่ยวต่อไปเราอาจจะได้มากกว่านี้ไปเที่ยวต่อไปอาจจะได้มากกว่านี้อย่างน้อยก็มาสร้างบุญบารมีอแต่ถ้าเราไม่ทําเลยนะี่ไม่ได้อะไรเลยโอ้เสียทั้งเวลาเสียทั้งการงานเสียเงินทองเสียสุขภาพอแต่ถ้าเราได้ทําไปเอ้ามาแล้วไหนๆก็ทํา ทำไปมันไม่เข้าใจเงนก็มีครูบาอาจารย์ให้ถามทำไปทำไปมันสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนก็นได้คุยได้ถามกันนะเพราะฉะนั้นช่วงเช้านี้ทำความเข้าใจกันแค่นี้